คนที่ไปร่วมชุมนุมกูชาก็พูดตรงกันว่าพอเนื้ทองสินประกาศว้นวักการเมืองแล้วก็ก็รู้สึก มันจะหงอยไปเลยไม่มีการชุมนุมแล้วก็รู้สุกเคลื่อนคว้างมันเมือนข่าดอะไรบางอย่างไปอันนที่คนที่ติดตามข่าวสารก็เหมือนกันติดตามข่าวสารบ้านเมืองในช่วง เดือนสาเดือนที่ผ่านมาพอรังวันที่สี่ก็รู้สึกว่ามันจืดไปเลยแ ต, ตัวเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนก็ว่าข่าวสามแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะ คงเป็นเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันเหตุการณ์มันผ่านสิ่งจุดที่เป็นคลายหนักไปเมื่อการดูหนังดูละครพอผ่านจุดคลายหนักไปแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาดูนะว่า มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรไเป็นเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ถึงจุดที่เขาประกาศเป็นวักนั้นก็เกิดความคาดหวังเกิดความคาดหวังข่าวสารก็ดูมีความตื่นเต้นเพราะว่ามีการ ชิงไหวชิงพลิกกันความน่าความน่าติดตามแล้วก็ทำให้ต้องคอยใจจดใจจ่อมีการคาดหวังต่างๆนา น, นาเหที่เรียกภาษาสมัยนี้คือว่ามีการลุ้น แต่พอมีผลปรากฏชัดออกมาแล้วแม้ว่าจะเป็นจะไม่ถึงขั้นแตกหักแต่ว่ามันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องให้ลุ้นอีกต่อไปอนอนก็พักชั่วขณะอันนี้ แต่เราคนที่ติดตามข่าวสารอย่างกระชั้นชิดยัยงเป็นอย่างนี้นักประาอะไรกับคนซึ่งเข้าไปร่วมชุมนุมบรรยากาศในการชุมนุมมันก็เป็นการปลุกเล้าปลุกเล้าอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนั้นก็ยังมีการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคมคนหมู่ใหญ่ที่สามารถจะสร้างความรู้สึกร่วมได้คนเหล่านี้จะมีธรรมชาติอย่างนี้น็คือก็คือความรู้สึกร่วมอย่าว่าแต่คนเป็น เป็นหมื่นเป็นแสนเลยแม้กระทั่งคนสิบคนยี่สิบคนหรือแค่สองสามคนก็รู้สึกร่วมได้อย่างไปอบรมความตายปเชิญความตายางสงบเมื่อที่ ท, ที่แล้วเวลาคนมีใครสักคนพูดความในใจเช่นพูดถึงพ่อ หรือแม่ที่จากไปแล้วเขาก็น้ำตาซึมคนฟังก็จะคลอยน้ำตาซึมไปด้วยบางคนก็ถึงกับเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำตาแม้กระทั่งทำกิจกรรมแบบบทบาทสมมุติ บทบาทสมมุตินี้ก็อย่างเช่นให้ให้มีผู้ป่วยคนหนึ่งอาการหนักนเป็นมะเร็งแล้วก็แผลนี่ก็ลามจนปรากฏออกมาข้างนอกเพราะมีลูกคนหนึ่งอายุห้าขวบลูกนั้นเมื่อมาเจอแม่ในสภาพเช่นนั้นก็ตกใจ ตกใจทั้งทั้งแผลที่เห็นแล้วก็กลิ่นที่ปรากฏก็ตกใจร้องไห้ไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้แม่ต้องไปเกาะน้าซึ่งมาเยี่ยมไข่อันนี้ก็เป็นประบาดสมมุติแต่ปรากฏว่าทั้งคนเล่นคนเล่นก็ ที่แรกก็ทำท่าจะให้เหมือนเสร็จ แ, แล้วก็พัดเข้าไปในอารมณ์ร้องไห้ึ้นมาคนดู ท, นนทั้งๆที่อาจจะรู้นี่เป็นสมบุบาทสมมุติแต่ก็พลอยุมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปด้วยก็ร้องไห้กันก็หลายค น, ท, น, นทั้งๆที่เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ แสดงก็เกิดขึ้นประมาณแค่1ิบนาทีกว่าๆนี่มันมีขนาดคนไม่กี่คนนะความรู้สึกร่วมก็ถ่ายทอดกันได้แลนะเมื่อมาชุมนุมกันเป็นเป็นมื่นเป็นแสนความรู้สึกร่วมก็จะมีดีทั้งความรู้สึกอบอุ่นขนาดเดียวกัน ก็มีการปลุกเล้าบนเวทีให้เกิดความรู้สึกต่างๆทั้งความพุกเขิมความโมโหความโกรธแค้นหรือว่าความมันสะใจในอารมณ์ผู้งานคือมันมีสิ่งเล้าเยอะสิ่งเล้าเยอะอยู่กันอยู่ในการทุมนุม วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงติดต่อกันหลายวันบางคนก็ติดตามติดต่อกันเป็นอาทิตย์บางคนก็อยู่กันทุกวันเป็นเวลา30กบกว่าวันคนนับได้34วันสิ่งเล่าที่มากระตุน้นจิตใจในลักษณะต่างๆกันทั้งพื้มเบือบบาน คือฝ่ายบวกแล้วก็ฝ่ายลบความแค้นความท้อแท้ความชังในฝ่ายลบมันก็มีผลนะที่ทำให้คนเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าเสพติดขึ้นมาสิ่งเล่านี่ถ้ามันมีมากๆเนี่ยคนก็ติดนะนะติดสิ่งเล่า พอสิ่งเล่านะี่ยมันหายไปคือทันทีที่ประกาศชุมนุมเลิกชุมนุมไม่มีการชุมนุมอีกอีกแล้วก็ไม่มีสิ่งเล่าเกิดขึ้นเมื่อม่มีสิ่งเล่าแต่เสพติดเสร็จแล้วจะทำยังไงจะรู้สึกอย่างไรก็ทําให้รู้สึกเหงาอ้างวางขึ้นมาเรืออาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายอย่างคนที่ติดสิ่งเล่าเช่น เพลงยอยู่กับอยู่ฟังเพลงมากมาจนติดหรือดูหนังมากๆจนติดพอไม่มีพอเินเฮิรนห่างจากมันก็รู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างหรือว่าคนติดเล่าติดบุหรี่อันนี้พุทธมหมดนี้ก็เป็นสิ่งเราทั้งนั้นมันก็ทำให้รู้สึกว่า เพลงขึ้นมาถ้าอาการหนักก็เรียกว่าลงแดงภาษะที่มากระทบเสียงที่ได้ยินตาที่เห็นรวมทั้งความคิดที่เกิดขึ้นในใจพวกนี้มันเป็นสิ่งเล่าได้ทั้งนั้นและถ้ามันเกิดขึ้นมาก เราจิตมากๆเนี่ยจิตก็จะติดพอมันไม่มีหายไปยก็จะรู้สึกเคว้งรู้สึกหงอ ย, ยอาจจะทำให้จิตใจน้พลซึมไปด้ว ย, ยอันนี้ก็เป็นอาการเดียวกับคนที่ไปทำงานอะไรมากๆเช่นเล่นละคร เล่นละครจ น, นเป็นนานเป็นเดือนพอถึงวันที่ละครเลิกนะก็จะมีอาการอย่างเดียวกันนะหรือว่าผู้ที่ไปเชียร์ฟุตบอลนะเชียร์บอลโลกนี่นานกันเป็นดเดือนนะการไปเชียร์ไปเชียร์ก็เป็นกลุ่มเชียร์ทั้งก่อนเล่นระหว่างเล่นแล้วก็เล่นแล้วรู้ผลแล้วก็ยังเชียร์กันต่อไปกลางถนน ดีใจขึเขิมแต่พอฟุตบอลเลิกฟุตบอลโลกเขาจบนะรู้สึกเปล่าเปลียอยอ้างว้างขึ้นมาเคยไปเคยไปสังเกตการพวกกองเชียร์ฟุตบอลโลกช่วงที่ไปญี่ปุ่นตอนนั้นเป็นนัดสุดท้ายนัดริงชนะเลิศ ก็ไปดูว่าเขาเขาไปดูบรรยากาศว่าเขาเฉลิมฉลองเขาเชียร์หรือเขาทำยังไงกันคนนี่แน่นหมดเต็มสนาสนานรถไฟแล้วก็เดินมันเป็นขบวนแห่ไปเป็นกลุ่มๆเขาก็จัดกันขึ้นมาเองเป็นกลุ่ม มันเหมือนกับขบวนแหทางศาสนาคล้ายๆขบวนแห่ขบวนเฉลิมฉลองทางศาสนาแต่นี่ไม่ใช่ศาสนาหรือจะเป็นศาสนาอย่างนี้ก็ได้เป็นศาสนาฟุตบอลมันเป็นความบันเทิงคู่กับการต่อสู้ในนี้กีฬามันผสมปรสานกันระหว่างความบันเทิงกับการต่อสู้ถ้าเป็นความบันเทิงอย่างเดียวก็ไม่สนุกไม่เล้าใจถ้าไม่มีการต่อสู้ด้วย ก็ไม่มีการต่อสู้มันก็มีการดันเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดความรู้สึกร่วมใครอยู่ฝ่ายเดียวกันก็รู้สึกร่วมใครเชียร์พูดเดียวกันก็รู้สึกเป็นพูดเดียวกันมันเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเกิดความพึกเฮิรมตรงนี้มันมันไม่ใช่แค่มีมันไม่ใช่แค่สิ่งเล้าธรรมดาธรรมดาอย่างเดียวแต่ว่าเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันอบอุ่น แล้วก็อบอุ่นจนสร้งว่าบางทีก็ลืมลืมตัวเองเรียกว่า ต, วตัวตนสลายหายเข้าไปกับฝูงชนความทุกข์ที่มีนะที่มีที่บ้านความกลุ้มออ ก, กลุ้มใจเรื่องงานเรื่องการเรื่องแฟนมันหายไปเพราะว่าตอนนั้นตัวตนมันปลืนหายเข้าไปกับฝูงชน เกิด ต, ตัวตนที่ใหญ่กว่าขึ้นมาที่เราเรียกว่าม็อบหรือว่าฝูงชนความรู้สึกตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าสบายมันหายจากความกลุ่มอกกลุ่มใจบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยบรรยากาศที่ตัวตนมันหายไปหรือสลายไปกับฝูงชนนี่มัน บางคนก็บอกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกปลื้มปิติในภาวนาในการภาวนาอันนี้เกิดขึ้นกับฝูงชนที่มีความรู้สึกร่วมและมีการและจะยิ่งดีมากขึ้นถ้ามันมีและความรู้สึกร่ว ม, มจะมีมากขึ้นเมื่อ ม, มันมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาคุกคามหรือมาประชิด ให้ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้ามาประชิดคุ้คามหรือมีศัตรูก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารวมกันได้อย่างสนิทแน่แน่นมากขึ้นตัวตนหายไปเกิดเป็นตัวตนใหม่ที่ใหญ่กว่าเมื่อถึงตรงนั้นแล้วคนแต่ละคนก็พร้อมที่จะตาย เพื่อส่วนรวมได้หรือเพื่อเพื่อฝูงชนที่เป็นตัวตนใหม่ได้อันนี้จะคล้ายๆกับมดละมดนี่นยอมตายเพื่อฝูงยอมตายเพื่อพิทักษ์หลังได้โดยที่ไม่หลังเหลไม่คิดเลยเพราะมดนี่มีความรู้สึกนะผูกพันกับกับฝูงมากซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าทั้งหมดนี่มีแม่เดียวกันเรียกว่าเป็นพี่น้องกัน มันไม่ใช่ไม่เหมือนคนที่มาร่วมฝูงชนอาจจะคนมาจากร้อยพ่อพันแม่แต่มดมีหนักมากเพราะว่ามีแม่เดียวกันอยู่ด้วยกันกันมานานพูดภาษาเดียวกันมียีนคล้ายๆกันเป็นพี่น้องกันหมดแหละในหลังก็ตายตายเพื่อฝูงได้ไม่ยากแต่คนเราเมื่ออยู่ในฝูงชนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึกร่วมเนื่ยมนพร้อมที่จะ พร้อมที่จะตายเพื่อเพื่อปกป้องหมู่คณะซึ่งเป็นตัวตนใหม่เป็นตัวตนที่ใหญ่กว่าของแต่ละคนในความรู้สึกแบบนี้มันผสมผสานกันทั้งการที่มีสิ่งเร้ า, เ า, าก็มากระตุ้นซึ่งทำให้เกิดอาการเสร็จปิดและความรู้สึกอบอุ่นสบายผ่อนคลายหายกังวล มันก็ทําให้เกิดความยึดติดได้เหมือนกันความรู้สึก2ประเภทสองอาการเมื่อมาเมื่อมาผสมประสานกันหรือเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ที่มาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนนี่นก็ทําให้เกิดความติดพอการชุมนุมหมดไปก็เคว้งแล้วทีนี้เคว้งแล้ว และนี้เราก็ถือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าจิตแจ้งเรานะเมื่อมาเผชวนสิ่งเล่าก็จะเป็นอย่างนี้มันมีความเสรพติดอยูนะ่ผัสสะที่มากระทบสิ่งเล่าที่มาที่มากระทบใจเราทั้งหมดเหล่านี้มันพร้อมจะเป็นสิ่งเสรพติดหรือผู้ใหญ่แล้วก็จิตเนี่ยพร้อมจะไปยึดไปติดมันนะ การจะเลิกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะใช้เวลาหรือไม่ใช้เวลาก็ตามสุดแท้แต่คุณภาพของสิ่งเราหรือแล้วแต่สุดแท้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเรานั้นใ น, นธรรมชาติริงคนเรามันต้องการความตื่นเต้นเราใจอันนี้เป็นความสุขขั้นต้นของมนุษย์ ความตื่นเต้นเล้าใจจากการได้เสพได้เสวยเสพสิ่งที่เป็นรูปประธรรมก็ได้หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่เป็นอารมณ์อยากหยาะความสูงคนเราอยู่ที่ตรงนี้อย่างที่พูดแล้วเมื่อเมื่อวานว่าเปลือกชั้นแรกของคนเราของจิตเรานี่มันคือความเห็นแก่ตัวความเห็กตัวนั่นมัน หรือควา ม, มถึงตัวนั้นมันมีหน้าที่คือเพื่อความอยู่รอดในความอยู่รอดจะมีได้กัจากการได้เสพได้มีปจัจจัย4ซึ่งมันก็ขยายรวมไปถึงเรื่องของทรัพย์สมบัติการได้รวมไปถึงการมีชื่อเสียงการมีอํานาจวาสนานี่มันไปได้วยกันหมดและเมื่อได้เสพได้มีแล้วมันก็เกิดเป็นความสุขทั้งหมดนี้มัน มันกลายเป็นสิ่งเราที่ทำให้จิตนี้เกิดความตื่นเต้นเล้าใจและความสูงคนเรามันก็อยู่กันที่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่โดยพระพุทธชนทั่วไปคือมีความสุขเพราะสิ่งเราสิ่งเราทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งทางใจด้วยคือเปลียงแค่คิดเปลี่ยงแค่คิดคันนึก ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็หรือพอไม่แม้จะสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทั้งหมดที้เป็นสิ่งแล้วให้เวลาเรามาอยู่ในวัดเนี่ยอยู่ในที่ที่วิเวกเนี่ยมันไม่มีไม่มสิ่งแล้วมากเหมือนเมื่อตอนอยู่กรุงเทพหรือตอนอยู่ในเมืองไม่ต้องพบปะผู้คนไม่มีงานการจะมาคอยกระตุ้นเล่าความคิด ไม่มีสื่อทางวิทยุโทรทัศน์ที่จะมาปลุกเล้ามากมายอย่างเวลาอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่บ้านเราก็จะรู้สึกนหงน่อยขึ้นมาเรื่อบางกรณจะหนักกว่านั้นคือกระสับกระส่ายบางทีนอนไม่หลับเพราะว่าเสียงมันเงียบไม่มีเสียง อ, อทุทธึ์อย่างในกรุงเทพมีเพราะคนที่บ้านอยู่ติดถนน ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นอาการลงแดงได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เว้นจากสิ่งเสพติดทางภาษะอันนี้เราเจอเหตุการณ์อนี้ก็อย่าไปอย่าไปกังวลอะไรมากให้ร่วมเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่จิตมันก็จะสู้เหมือนกันมันก็จะพยายามไปหาสิ่งเสพที่เคยติดเอาไว้ ไปหาคนคุยด้วยหรือไม่ก็หาเรื่องคิดไม่มีอะไรคิดก็คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตรหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งเล่าอย่างหนึ่งของจิตมันเป็นอาหารของจิตมันเป็นความสุขอย่างหยาบของคนเป็นความสุขชั้นแรกนั่นคือความสุขที่ได้เสพ สิ่งเ้าอาหารก็เป็นสิ่งเราเสียงเพลงก็เป็นสิ่งเ้าเรื่องทางเพศก็เป็นสิ่งเ้าความสุขของคนเราอยู่ที่ตรงนี้เป็นอันดับแรกอันนี้ก็เพราะว่าเรายัางติดอยู่กับเปลือกชั้นแรกคือเรื่องของความความเป็นแกตัว ความเป็นตัวนี้มันก็ทําให้จิตนิยากก้าด้างแม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตได้พรมคุ้นกับความสุขจากสิ่งเล้าสิ่งเล่าที่ไปสนองตัวตนอำนาจการที่มีเงินแม่จะไม่ทันได้ใช้มันก็ทําให้รู้สึกมีความสุขเพราะว่ามันได้ตอบสนองความต้องการมีอำนาจเงินคืออำนาจนะ คนแม่จะมีเงินคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านคนก็บอกว่ามันมีมากมากไปทําไมมีแล้วก็มีอีกใช้ไปหมื่นชาติก็ไม่หมดถ้าคนเรบางทีไม่ไต้องการใช้เงินเนี่ยเพียงแค่มีมากมากก็มีความสุขแล้วเพราะมันหมายถึงอํานาจที่มากขึ้นซึ่งมันก็ไปสนองสัญชาตญาณหรือธรรมชาติส่วนแรกของมันกมคือความเพีงแค่ตัว ความสุขของคนเราถ้าถ้ายังติดอยู่ในความมีแตตัวความสุขมันก็ไปไม่พ้นเรื่องหยาบคือต้องอาศัยสิ่งเราทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมาแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเรามีธรรมชาติส่วนที่ลึกที่ปณีตไปก่อ น, นั้นก็คือธรรมชาติเป็นคุณธรรมความใฝ่ดีธรรมชาติส่วนนี้ไม่ได้ต้องการเงิน ไม่ต้องการทรัพสมบัติไม่ต้องการสิ่งเล่าแต่ต้องการสิ่งที่ประณีตกว่านั้นเช่นความภูมิใจความอินเออความปิติความประโมดรวมทั้งสมาธิความสงบคนเราต้องการส่วนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคน จ, จิตใจหยาบกร้ายังไงก็ยังเนื่องจากเรามีธรรมชาติส่วนนี้กันทุกคนนั้นจิตในระดับนี้ก็ก็แสวงหาความสงบความอารมณ์ที่ประณีตละมุลละไมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะต้องการเสพสวยสิ่งเรา้ายังไรก็ตามก็ยังโหยหาโหยหาความสงบ ความสงบนี่อาจจะหมายถึงความสงบจากธรรมชาติอยากจะไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยากจะหนีเสียงอื้ทึ่วุ่นวายในกรุงเทพแม้ว่ามันจะมีสิ่งเล่าสิ่งเสพสิ่งริโภคมากมายแต่ว่าก็รู้สึกว่าไมัมนเราต้องการมากไปกว่า น, นั้นก็ต้องการความสงบอยากโอยหาการอยู่ต่างจังหวัดการได้อยู่ยธรรมชาติรวมทั้งหอยห า, าศาสนาด้วยเพราะาศาสนานั้นสามารถจะให้ความสงบได้ ไม่ต้องถึงขั้นทำสมาธิภาวนานหรอกเพียงแค่ได้อยู่ในวัดอยู่ในวัดที่สงบได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปจิตใจก็สงบความสงบนี้ก็เข้าไปเสริมทําให้ใจเราอยากจะทําความดีหรือว่าอย่างน้อยก็นึกถึงความดีของคนอื่นที่เขาทํากับเราอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทําความดีตอบแทนคนอื่นตรงนี้มันเป็นร้วนเป็นผลมาจาก ชั้นที่สองจิตที่เป็นคุณธรรมความใยดีที่ปรารถนาสิ่งที่สงบลึกซึง้งอันนี้เราก็ต้องนะรู้จากความต้องการธรรมชาติส่วนนี้แล้วก็ตอบสนองความตอบสนองธรรมชาติสวนนีเ้เพื่อให้ธรรมชาติส่วนนี้มีกำลัง มีกำลังในการที่จะทำความดีมีกำลังที่จะอเอื้อเฟือเกือเก้อกูลหรือว่าสร้างสิ่งดีงามถ้าเอาแต่เสพเอาแต่สวยในสิ่งสิ่งที่มันร่าจิตกระตุ้นใจมันก็ไปตอบสนองหรือว่าไปควรเพลอธรรมชาติส่วนแรกไม่สามารถจะเพิ่มพลังหรือว่า หล่อเลี้ยงธรรมชาติส่วนที่สองจงต้งทําให้ความดีมีพลังที่มาได้แล้วก็จะทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกมีความสุขลึกๆเก็ยังกระสับกระสายแม้จะได้เสดแม่จะมีสิ่งเล่ามาใหม่ก็ยังกระสับกระสายก็ยังสุภาษิตบุกพร่องขาดไปบางอย่างก็เพราะว่าธรรมชาติส่วนที่สองนะหรือชั้นที่2นี้ถูกละเลยไป เมื่อคนเราไม่ได้ทําความดีก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ค่อยมีค่าเนื้อทความดีแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงการบริจาคเนี่ยก็เพราะมันรู้สึกทําให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องความอยู่รอดไม่ใช่แค่ความอยู่รอดแล้วแต่ต้องการความหมายของชีวิตหรือว่าแม้จะได้มีสิ่งแสบสิ่งเลอะมากมายแต่ว่าก็ยังขาดไปบางอย่างเพราะขาดความสงบ ต้องการสุขภาความสงบจากธรรมชาติจากศาสนาหรือแม้าทั้งจากเสียงเพลงที่มันประณีตจากศิลปะที่งดงามทั้งหมดนี้คือความต้องการของมนุษย์เพราะว่าเรามีธรรมชาติส่วนที่สองเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเลยก็ าที่ที่มีธรรมชาติแวดล้อมที่สวยมีที่ท่านงดงานที่แรกแล้วก็ไปเพราะว่าเราก็มีความสุขเพราะมันตื่นตาตื่นใจความตื่นตาตื่นใจนี่ก็ก เ, กเกิดจากสิ่งเราโอ้โหเห็นภูเขาใหญ่สูงใหญ่เห็นน้ำตกมหึมมานะเห็นทะเลนะที่กว้าง อันนี้เป็นอาการของสิ่งเราตื่นตาตื่นใจแต่ว่าพอเราอยู่ไปนานๆท่านี้เราก็จะจิตของเราจจะเคลื่อนจากความตื่นตาตื่นใจมกากลายเป็นความสงบแล้วความสงบใจมาแทนที่ไม่ใช่ตื่นใจแล้วความสงบมาแทนที่ตรงนี้แหละที่เป็น เป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนที่สองก็ต้องการความสงบก็ไม่ไม่ต้องต้องการความตื่นใจความสนุกความสนานมันเป็นเรื่องของจิตชั้นแรกแต่ความสงบมันเป็นเรื่องจิตชั้นที่สองธรรมชาติส่วนที่สองเน่อจากความสงบนั้นก็ยังไม่ใช่ที่สุดของธรรมชาติเรา ลึกไปกว่า น, นั้นเราเรามีเรามีธรรมชาติที่ที่เป็นความสว่างเป็นธรรมชาติเป็นกลางใจหรือว่าเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของมนุษย์สภาวะที่โปร่งร่วงผ่องใสสว่างที่เลือกประพัดสอนทีจอดแต่ว่าจิตใ น, นประพัดสอน แต่ว่าเศร้าหมองเพราะว่าจีเลจารเข้ามาธรรมชาติส่วนที่3มนี่แหละที่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการประจักแจ้งหรือการเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งความจริงของชีวิตในความมีนกระตัวก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงความวิ่มั่นถึงมั่นตัวตนก็หมดไป จิตตัวเกิดความโปร่งโล่งผองใสเพราะไม่มีความยึดติดแม้กระทั่งความดีซึ่งเป็นเรื่องของจิตชั้นที่สองมันก็หมดไม่ติดแม้กทั่งความสงบด้วย น, นี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นเป็นคุณลักษณะหรืออาการของธรรมชาติส่วนที่สามคือความสว่างความอิสระความโปร่งโล่งความผ่องใส เมื่อเราไปเมื่อเราไปเมื่อเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างที่บอกที่แรกเราก็ตื่นใจตื่นตาตื่นใจต่อมาใจแล้วก็สงบถ้าถท่าว่าเรายังวางจิตวางใจให้ดีเราก็จะเกิดความสว่างได้เรียนรู้จากธรรมชาติได้เกิดปัญญาจากธรรมชาตินะธรรมชาติให้ความสว่างทําให้เรานี้สามารถทําให้เราสามารถจะ เข้าถึงหรือประจักษ์แจ้งในธรรมชาติส่วนที่3ามทเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดได้อันนี้เราก็ก็ต้องยอมรับหรือเข้าใจธรรมชาติส่วนนี้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มพลังเพื่อให้ได้ประจักษ์แจ้งเกดใจ อันนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วนี่นะมันก็เราก็รู้สึกแล้วว่าสิ่งทลายราต้งโปลนะั้นมันก็มันก็เป็นธรรมดาลโลกให้ความยึดติดความคาดหวังความมุ่งมากกว่าทัศนนาอันนี้เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้เท่าทัน ธรรมดาโลกในจริงก็ไม่รู้ท่าทานตัวเองด้วยเวลาไปชุมนุมเวลาไปกระท่วงเนี่ยบางทีเราไปติดอยู่กับจิตจิตรนดับแรกก็คือไปไปทำเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทาเพื่อเพื่อตอบสนองตัวตนทำเพื่อให้ฉันเป็นผู้ชนะ มันจะดีกว่านั้นถาว่าเราไม่ได้ทำเพื่อว่าให้ฉันเป็นผู้ชนะหรือเพื่อตอบสนองตัวตนแต่เพื่อเพื่อประโยชน์ของหมูนะ่คณะเพื่อประโยชน์ของของสาธารณชนหรือเพื่อความเจริญ ง, งอกงามของประเทศชาติอันนี้เรามาเราเคลื่อนมาสู่จิดชั้นที่สองแล้วคือเรื่องคุณธรรมความใฝ่ดีไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทาเพื่อส่วนรวม แต่ก็ยังมีความยึดติดอยู่ทักษิณไม่นนยอมลาออกก็คุ้ม อ, อกกุ้มใจกลัวบ้านเมืองมันจะล่มสลายอันนี้เรายังติดอยู่ในชั้นแรกชั้นที่สองมันมันต้องอาศัยธรรมชาติส่นที่สามเข้ามาช่วยความอิสระความโปร่งลงของสายพาะมีปัญญาเกิดความสว่างขึ้นมาในใจไม่มีความยึดติดรู้เท่าทันธรรมดาของโลก ถ้าเรารักษาจิตหรือทำธรรมชาติสุนทรสายประจักน่าจะเป็นครั้งเป็นคราวก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ไม่กุมอกกุมใจเราก็รู้วเเ่เขาเป็นอย่างนั้นพขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่พึงเครียด แต่ก็ยังทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่ได้ทเพราะอยากชนะไม่ได้ทาเพราะความยึดติดในความดีแต่ทําด้วยกรุณาทําด้วยจิตใจที่เราว่าทําด้วยสำ ม, มึการัผิดชอบแต่แต่รู้จักปล่อยวางรู้จักปล่อยวางคือปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้นนี่จะทำนี่เราก็จะ เราก็จะมีความสงบประคองความสงบเอาไว้ได้แม้ไปทุกข์กับกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะสิ่งนี้เราก็เรียนรู้ได้นะอาศัยสะพานมัคคาวานอาศัยสนามหลวงสยามพลากอนเป็นที่ฝึกใจของเรานะให้ทำด้วยโดยมีจิต ส่วนที่สามมัประคองเอาไว้รอเลี้ยงเอาไว้ไม่ใช่ไหมวขาต้องหลบเข้าไปอยู่ในปา่าส่วนที่สอย่าประจักษ์แจ้งได้มันอันนั้นมันมันไม่ใช่ทีเดียวถ้าเรามีสติมีปัญญานั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะทํทาธรรมชาติสมนิจฉะประจักได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม มันยากแต่ว่าไม่ใช่จะทำได้ได้แค่ทาได้จะกลายเป็นเรื่องทา้าทายเพราะมัาก็ทำให้เราคนเราต้องทําเรื่องที่ยา ก, ยา ก, ยากมากเหมือนนักเรียนต้องทําการบ้านที่ยา ก, ยากมากถึงจะฉลาดในงั้นก็จะก็จะง่ายก็จะเข ก, ก็จะไม่ไม่เกิดปัญญาที่ก้ากระโดด น, นี่ก็พูดกันเท่า น, น, น, น, น, นี้กระพร่องกัน สัมมาสัมพุทธ佛พระครวตุตางพระวันต่างพิวาสีว่าขาโตพระกวัตตาตมลธรังมสานิสุปฏิปันโนพระวัโตสาวาสังโตสังขาา